หมดปัญหาเรื่องคนสมพันธ์องค์ใหม่ก็เริ่มการพัฒนาวัดพวกชาวบ้านที่อยากได้บุญต่างพากันมาช่วยคลไม้คลมือยกเว้นพวกผีการพนันซึ่งไม่สามารถเลิกเล่นได้ถึงจะไม่ไปเล่นในโบสถ์ก็ไปหาที่ใหม่เล่นกันต่อไปนอกจากชาวบ้านตาบลบ้านแป้งซึ่งเป็นคนในท้องที่แล้วลูกศิษย์กรรมฐาน จากวัดพรมบุรีก็ตามมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาวัดด้วยพวกเขารู้จักแบ่งเวลาวันโกนวันพระปฏิบัติกรรมฐานวันธรรมดาช่วยสมภารพัฒนาวัดถึงฤดูทำนาก็ไปทำนาเพราะเป็นอาชีพที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเมื่อเห็นคนบ้านอื่นตามมาเรียนกรรมฐานกับสมภารคนพื้นบ้านก็พากันมาขอเรียนบ้าง นางโถและนางแต้มเป็นแม่ครัวหุงหาอาหารเลี้ยงผู้หมากเข้าปฏิบัติคลั้นผู้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นก็ส่งลูกหลานที่อยู่ว่างๆให้มาช่วยทำครัวนางโถและนางแต้มจึงมีโอกาสได้เข้าปฏิบัติบ้บาง วัดป่ามะม่วงมีต้นไม้ขึ้นรกรุงรังโดยเฉพาะหลังวัดซึ่งเต็มไปด้วยต้นตาลขึ้นระเกะระกะไม่เป็นระเบียบพระเจริญต้องจ้างคนมาตัดค้นทิ้งแล้วเริ่มถมพื้นที่บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อท่านนึกถึงโยมยายที่ให้หาบดินมาวัดถ้าชาวบ้านทาตามโยมยายกันทุกคนบรรดาหลุมบ่อในวัดก็คงจะไม่มี ท่านก็จะไม่ต้องเสียเงินจ้างค่าแรงที่เขาจ้างกันวันละสองบาทท่านก็ให้วัน ล, ละ10บสลึงญาติโยมจะได้มีกําลังใจมาช่วยงานวัดเพราะได้ค่าแรงสูงกว่าที่อื่น50สตางค์โยมยายทิ้งมรดกไว้ให้ท่านมากมายส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ท่านยกให้นางจําแรงโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องบํารุงเลี้ยงโยมบิดาและโยมมารดาให้ได้รับความสุข ตามอัตภาพจนกว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับดับชีพไปสู่สัมปรายภพสำหรับเงินทองและของมีค่าอื่นๆที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ท่านตั้งใจจะเก็บไว้เป็นทุนเกื้อหนุนพระศาสนาให้วัฒนาสถาวรสืบไปโยมยายก็จะได้ส่วนกุศลผลบุญในการนี้ด้วย ช่วงเวลาไม่นานนักชื่อเสียงของพระเจริญก็ระอบือไปทั้งตำบลบ้านแป้งและตำบลใกล้เคียงว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาซึ่งนอกจากจะพัฒนาวัดเก่งแล้วยังพัฒนาคนได้อย่างน่าอัศจรรย์พวกชาวบ้านที่ไปเรียนกรรมฐานกับท่านได้นำการปฏิบัติมาใช้ในการประกอบสัมมาอาชีวะพวกที่เคยเกียจคร้านงอมือ ง, งอเท้าก็ขยันทำมาหากินมากขึ้น แต่ก็ยังมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ยอมรับการพัฒนาจิตมีชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างเลื่อนลอยหมกมุ่นเมา ม, มัวในอบายมุกจนไม่อาจกลับเนื้อกลับตัวได้คนพวกนี้พระเจริญก็ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมคนที่ไม่รักแม้กระทั่งตัวของตัวเองแล้วใครจะไปสั่งสอนให้เสียเวลา ใช่ว่าจะมีกรรมแต่ญาติโยมพระเองก็ต้องมีกรรมเหมือนกันโดยเฉพาะพระที่ชื่อเจริญเพราะได้ก่อกรรมทําเข็นไว้มากมายสมัยเมื่อเป็นเด็กชายไว้ผมแกะกระทั่งโตเป็นหนุ่มตัดแกละออกแล้วก็ยังไม่วายสุกสนเพราะไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีผลมีวิบากจริงต่อเมื่อก ร, รมมาให้ผลนั่นแหละจึงยอมเชื่อ วันพระแรมส4สี่ค่ำเวลาบ่ายสี่โมงพระเจริญกำลังสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมอยู่ที่กุฏินางโทและนางแต้มนั่งแถวหน้าห่างจากอาสนะประมาณหนึ่งวาญาติโยมคนอื่นๆนั่งถัดออกมาทางด้านนอกสำเนาเฉลียว กำลังดา้ย้าอยู่ในสวนดอกไม้หลังกุฏิจูๆ่ๆฟ้าก็มืดลงทั้งๆที่ไม่มีเขาว่าฝนจะตกพระหนุ่มรู้สึกแปลกใจมองออกไปนอกกุฏิก็เห็นต้นไม้ไหวเอง็งดูราวกับโดนลมพายุสงสัยจะเป็นฝนหลงฤดูท่านพูดกับญาติโยม แต่อีฉันว่ามันจะยังไงยังไงอยู่หน้าท่านนางโถว่ายังไงยังไงนะ่ะมันเป็นยังไงล่ะท่านแซงเยาอีฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เอ๊ะทำไมหน้าท่านดูดำอย่างนั้นหรือว่าอีฉันตาฝาดไปพูดพลางยกมือขึ้นขยี้ตาอย่างไม่ทันเอามือลงก็ได้ยินเสียงเปรี้ยง ดังสนั่นวันไหวทุกคนตกใจหมอบลงพร้อมกันราวกับนัดมีแต่พระเจริญเท่านั้นที่ไม่ได้หมอบสิ่งท่านร้องบอกว่าโยมฟ้าผ่าอาตมาเข้าแล้วปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเลยญาติโยมจึงพากันเงยหน้าขึ้นก็เห็นสมภารยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่จีวอนไม่ไ็กครึ่งผืน ตามเนื้อตัวและแขนขามีอรอยไหมปรากฏอยู่กลิ่นไหมคลาคลุงฟ้าสว่างจ้าขึ้นฉับพลันฝนไม่ตกสักเม็ดน่าอัศจรรย์นนะักท่านเป็นยังไงบ้างนางโถถามอย่างเป็นห่วงแสบไปทั้งตัวเลยจายโยมโอ้โห ฟ้าผ่าเป็นอย่างนี้เองหรือท่านยังมีอารมณ์ขันทั้งที่ยังปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้นะยังไงท่านเห็นนางเมฆขลากับรามสูนหรือเปล่าคนถามคือนางแต้มไม่มีเลยจ่าโยมไม่มีรามสูนไม่มีขวาน นางมณีเมฆขลากับแก้วก็ไม่มีอาตมาก็นึกว่าน่าจะมีรามสูนขว้างขวานท่านตอบขันขันแล้วมีอะไรละจ๊ะท่านเห็นอะไรโยมที่นั่งหลังนางโถถามอย่างอยากรู้ตอนอาตมามองออกไปเห็นต้นมะม่วงกับต้นมะปรางไหวเยิบเยิบ เหมือนโดนพายุแล้วแสงสีเขียวกับแสงสีแดงก็พุ่งเข้ามาชนกันเสียงดังเปรี้ยงอาตามาก็ปวดแสบปวดร้อนดีวอนไม่ไปครึ่งผืนอย่างที่โยมเห็นอยู่นี่แหละพระหนุ่มเล่ารู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปสดสดร้อนๆอนจนต้องกำหนดในใจว่าตื่นเต้นหนอตื่นเต้นหนอและแถมด้วย ปวดแสบปวดร้อนหนอปวดแสบปวดร้อนหนอเจ้าประคุณเป็นบุญตาเหลือเกินที่ได้เห็นพระถูกฟ้าผ่านางเช่พูดพร้อมกับยกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะอ้าวโยมนี่หมายความว่ายังไงกันอาตมาถูกฟ้าผ่าเกือบตายโยมกลับมาว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็น ท่านแท่งดุทั้งที่นึกขำถ้าไม่ให้ว่าอย่างนั้นแล้วจะให้ว่าอย่างไรงละจ๊ะที่อีชั้นว่าเป็นบุญตาก็เพราะท่านไม่ได้เป็นอะไรมากและบารมีของท่านก็ช่วยคุ้มครองพวกลูกศิษย์ได้ถ้าท่านไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้พวกเราคงถูกฟ้าผ่าตายกันทั้งหมดแต่นี่ท่านรับเคราะห์แทนพวกเราเพราะท่านบารมีสูงจึงไม่เป็นอะไรมาก นางอธิบายค่อนข้างแจ่มแจ้งจริงครับท่านผมเห็นด้วยกับแม่แช่มโยมผู้ชายตะโกนมาทางด้านหลังทุกคนดูสนุกตื่นเต้นขณะที่ท่านปวดแสบปวดร้อนแต่เพียงผู้เดียวอ๋อพูดอย่างนี้พอฟังได้หน่อยนึกว่าพวกโยมพากันเยาะเยอะอ้ยอาตามาเสียอีก แต่ก็อย่าไปคิดว่าที่อาตมาไม่เป็นอะไรมากนั้นเนื่องมาจากบารมีเพราะถ้าว่ากันตามจริงแล้วเป็นเรื่องของกรรมมากกว่าอาตมาถูกฟ้าผ่า ก, ก็เพราะกรรมกรรมอะไรครับบุรุษคนเดิมถามอีกกรรมที่ชอบสาบานนะสิอยากฟังไหมล่ะ อาตอมาจะเล่าให้ฟังอยากจ้ะอยากครับทั้งโยมหญิงโยมชายร้องขึ้นพร้อมกันสมนา์หนุ่มกำลังจะเล่าก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากข้างนอกช่วยด้วยช่วยด้วยผมถูกฟ้าพา สิงเนนเฉลียวนั่นเองทุกคนจึงลุกตามสมภารออกไปทางหลังกุติเนนเฉลียวนอนหมอบอยู่กับพื้นมือยังถือจอบดาย่าตัวสันเทิมหน้าก้มลงติดดินเพราะตกใจอย่างแรงงุนงงอยู่พักใหญ่ๆจึงได้สติและร้องขอความช่วยเหลือขณะที่สมภารกำลังจะเล่ากรรมที่ถูกฟ้าผ่าให้ญาติโยมฟังอะไรกันเนนเอ้า หลับหูหลับตาร้องอยู่นั่นแหละไหนลุกขึ้นซิแล้วลืมตาดูให้ชัดๆว่าใครถูกฟ้าผ่ากันแน่สมเนนวัยย่าง19ลืมตาขึ้นแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นนั่งสำรวจตามเนื้อตามตัวก็ไม่เห็นรอยไหมจึงมองไปที่สมพานภาพที่เห็นทําให้ท่านหัวเราะกาก นั่นท่านสมภารถูกฟ้าผ่ารอกเรผมนึกว่าเป็นผมเสอีกยังจะมีหน้ามาหัวเราะเยาะเห็นแล้วใช่ไหมว่าใครกันแน่ที่ถูกฟ้าผ่าเห็นแล้วครับสมภารองค์ใหม่ถูกฟ้าผ่าท่านยังคงหัวเราะครั้นนึกได้ว่าเป็นการไม่สมควรจึงประนมมือแล้วกล่าวคําขอขมาลาโทษเออผม ขอขอขอโทษครับผมตกใจมากไปหน่อยเลยปั๊มป้๊มเป๋เ ป, ป, ป๋ท่านออกตัวเธอสอบตกแล้วแสดงว่าที่เรียนกรรมฐานไปนั้นไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เธอสอบตกอย่างไม่เป็นท่าเลยเชียวละท่านได้โอกาสแก้แค้นมีอย่างที่ไหนเป็นลูกวัดแต่มาเยาะเย้ยสมภารครับ ผมสอบตกจริงๆด้วยขอโอกาสสอบซ่อมนะครับแต่ผมก็ถือว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นท่านสมพาน์ถูกฟ้าผ่าบุญตายัางไงเพราะเท่าที่ผมรู้มาคนถูกฟ้าผ่าไม่มีใครรอดชีวิตสักคนเดียวแต่ท่านสมพาน์เป็นคนแรกที่ถูกฟ้าผ่าแล้วยังดุลูกวัดได้บารมีท่านมากเลือกเกินเนนเฉลียว พูดคล้ายๆกับนางแชม่มทั้งที่ไม่รู้ว่ามีคนพูดอย่างนี้มาก่อนท่านบอกว่าไม่ใช่บารมีแต่เป็นเรื่องของกรรมท่านกำลังจะเล่าให้พวกเราฟังก็พอดีได้ยินเสียงเนรร้องนางแช่มบอกกล่าวถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตฟังด้วยคนนะครับ เนนเฉลียวบอกพระเจริญดูเหมือนทุกคนต้องการที่จะฟังสม่านเล่าไม่มีใครเป็นห่งเป็นใหญ่ถามไถ่ยอาการปวดแสบปวดร้อนที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ช่าง น, น่าน้อยใจนักเอาใครจะฟังก็เชิญมาทางนี้พระเจริญบอกแล้วเดินนำพวกเขาไปยังกุฏิเมื่อญาติโยมนั่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจึงเริ่มต้นเล่าแต่ก่อนอาตมาไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงตอนเป็นเด็กเลยก่อกรรมทำเข็นไว้มากชอบขโมยเงินโยมยายพอถูกจับได้ก็ไม่ยอมรับแถมสาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าตายโยมยายจึงเล่าเรื่องยายมาเฟืองให้ฟัง อาตมาชักกลัวตอนหลังเลยสาบานแค่ว่าขอให้ฟ้าผ่าเฉยๆเพราะกลัวจะตายอย่างใหญ่มาเฟืองใหญ่มาเฟืองแกถูกฟ้าผ่าตายหรือครับเนนเฉล่ยวถามท่านนั่งใกล้กับอาสนะสมภารมากกว่าคนอื่นๆถูกแล้วถูกฟ้าผ่าตั้งสามครั้ง สองครั้งแรกไม่ตายหรือจ๊ะนางแต้มถามนั่นสิท่านว่าท่านสมพานแน่แล้วยังมีคนแน่กว่าท่านอีกหรือนี่นางแช่มรู้สึกพิสวงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกใครจะแน่เท่าอาตมาล่ะพระเจริญถือโอกาสคุยทับอาการปวดแสบปวดร้อนดูเหมือนทุเลาลง เมื่อได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโยมยายของท่านแล้วทำไมฟ้าต้องผ่าสามครั้งหรือจ๊ะเมื่อคุ้นเคยกับท่านนางก็เปลี่ยนจากเจ้าค่ะมาเป็นจ๊ะอาตามาก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าโยมโถอยากทราบก็ต้องไปถามฟ้าดู ท่านตอบยิ้มยิ้มไม่เอาหรอกจ้ะอีชั้นกลัวถูกฟ้าผ่านางโถรีปฏิเสธโยมเป็นคนชอบสาบานหรือเปล่าละ่ะเคยสาบานกับใครเขาไว้ว่าให้ถูกฟ้าผ่าไหมไม่เคยจ้ะเพราะอีชั้นไม่เคยพูดเท็จแล้วก็ไม่เคยลักขโมยของใครก็เลยไม่ต้องสาบานนางโถตอบซื่อ ดีแล้วไม่งั้นจะต้องเป็นเหมือนยายมะเฟืองโยมยายเล่าให้อาตมาฟังว่ายายมะเฟืองแกเป็นคนชอบสาบานอะไรอะไรก็บอกขอให้ฟ้าผ่าตายทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าร้องแกจะกลัวมากถึงกับลงไปแอบในตุ่มน้ำแต่แล้วก็หนีกรรมไม่พ้นฟ้าผ่าเปรี้ยงลงไปในตุ่ม แกตายขาที่ตัวดำเป็นตอตะโกเลยตอนเขาเอาแกไปเผาพอวางลงศพลงบนเชิงตะกอนฟ้าก็ผ่าลงมาเป็นครั้งที่สองเผาเสร็จลูกหลานกำลังจะเก็บอัฐิฟ้าก็ผ่าลงมาอีกเป็นครั้งที่สามคนก็เลยพากันเชื่อว่าผู้ที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าตายนั้น จะต้องถูกฟ้าผ่าตายเข้าสักวันฟังเรื่องของยายมาเฟืองอาตมาก็ชักกลัวตอนหลังเลยสาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าเฉยๆถ้าอาัตมาว่าขอให้ฟ้าผ่าตายเมื่อกี้นี้ก็คงเอวังไปแล้วท่านเล่ายิ้มๆแล้วท่านสมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างครับ ต้องไปหาหมอหรือเปล่าเนนเฉลียวถามเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าสมพานได้รับบาดเจ็บเพราะถูกฟ้าผ่าไปทำไมให้อายหมอละ่ะเกิดหมอถามฉันก็ต้องเล่าความเป็นมาให้ฟังหมอเขาก็รู้ความลับของฉันนะสิภิกษุวัยสบเาตอบล้วที่ท่านเล่าให้พวกอีชั้นฟัง ท่านไม่อายหรือจ๊ะนางเช่อมถามซื่อหากก็ทำให้พระหนุ่มเจ็บจี๊ดเข้าไปถึงในอกอายสิเพิ่งจะรู้สึกอายก็ตอนที่โยมถามนี่แหละแหมเล่นถามแบบนี้อาตมาก็อายแย่นะสิถ้าอย่างนั้นอีฉันต้องขอโทษท่านด้วยที่ทำให้ท่านอายยกโทษให้อีฉันด้วยเถอดจ้ะ นั่งกราบปลุกปลุกสามครั้งเอาเถอะอาตมายกโทษให้แต่ก็อยากจะฝากญาติโยมว่าขอให้เชื่อเถิดเวนกรรมหนะ่ะมีจริงอย่างแน่นอนอาตมาไม่เชื่อก็ยังต้องเชื่อขอให้หมั่นสร้างกรรมดีเข้าไว้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดเจนว่ากรรมดำมีวิบากดำ กรรมขาวมีวิบากขาวกรรมดำก็คือกรรมชั่วกรรมขาวก็คือกรรมดีส่วนวิบากแปลว่าผลท่านถือโอกาสสอนที่เราพูดกันบ่อยๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมครับ อุบาสกถามถูกแล้วอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธองค์เช่นกันมาจากคำบาลีว่ากัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปกังสมภารหนุ่มช่วยขยายความแล้วการปฏิบัติกรรมฐาน ก, กับการทําบุญเลี้ยงพระอย่างไหน จะได้บุญมากกว่ากันจ้านางแต้มถามโยมว่าอย่างไหนได้บุญมากกว่าละ่ะท่านย้อนถามอีฉันไม่ทราบหรอกจ้าถ้าทราบจะถามท่านสมภารหรืออุบาสิกาวัยห้าสิบเศษย้อนบ้างอีฉันว่าการปฏิบัติกรรมฐานได้บุญมากกว่าเพราะทานได้บุญน้อยกว่าศีล ตายศีลก็ยังได้บุญน้อยกว่าการภาวนานางโถเป็นคนตอบถูกของโยมโถการปฏิบัติกรรมฐานจัดเป็นภาวนามัม่สูงกว่าศีลใหม่และทานใหมแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องทำให้ครบทั้งสามอย่างสมภารอธิบายแล้วอยู่ๆนางแต้มก็ถามขึ้นว่า เอ๊ะท่านสมพานสังเกตไหมจ๊ะว่าทายกแกไม่เคยเข้ากรรมาฐานเลยอิฉันเคยชวนแกก็ไม่ยอมมาจริงด้วยแกชอบแต่ทําทานอย่างเดียวนางแช่มเสริมทานเทินอะไรแกได้แต่บอกบุญเรียรายเงินคนอื่นตัวแกไม่เคยออกสักฟื้งเดียวและแบบนี้จะได้บุญไหมจ้าท่านสมพานนางแต้มถามนางรู้จักมรคนายก และแอบสังเกตมานานการทำบุญมีถึงสิบแบบถ้าทายกเขาไม่ออกเงินของเขาแต่มีจิตอนุโมทนากับคนอื่นเขาก็ได้บุญเหมือนกันเรียกว่าปัตตานุโมทนามัมหมายถึงบุญสำเร็จด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น พระเจริญพูดแบบเป็นกลางตั้งแต่มายุวัดนี้ท่านก็ยังไม่เคยเห็นนายมั่นควักเงินออกมาจากกระเป๋าตัวเองมาทำบุญเลยสักครั้งเคยแต่เรียรัยจากคนอื่นดังที่โยมแต้มพูดมานั่นแหละท่านสมพันธ์ครับผมจะไปเอายาหม่องมาทารอยไหมให้นะครับสมเณ น, นวัยย่าง19บบอกโอ้ยถ้าทำอย่างนั้น ก็ยิ่งแสบไปใหญ่นะสิไม่ต้องร้อกขอบใจท่านนึกค้อนในใจว่าเนนเฉลียวช่างไม่เฉลียวสักนิดท่านสมพานจ๊ะเมื่อกี้ที่ท่านว่าการทำบุญมีถึงสิบแบบน่ะอีฉันอยากทราบจ้ะว่ามีอะไรบ้างนางโถพูดขึ้นอย่างไม่ทันที่สมพานจะว่ากระไรสตรีวรัยหกสิบเศษ ก็เดินเข้ามานั่งอยู่แถวหลังมีชายหนุ่มอายุประมาณยี่สิบมาด้วยคนทั้งสองพากันกราบท่านสามครั้งโยมมาจากไหนขยับขึ้นมานั่งข้างหน้าเธอโยมช่วยหลีกทางให้ด้วยท่านบอกญาติโยมที่นั่งอยู่ก่อนไอ้หนูเองนั่งอยู่ตรงนี้แหละ ให้ป้าเข้าไปคนเดียวก็พอสตรีผู้นั้นบอกหลานชายแล้วหล่อนก็คลานผ่านญาติโยมมานั่งแถวหน้าสมภารหนุ่มมองหน้าหล่อนรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนในที่สุดก็นึกออกครูร้อยช่างนั่นเองตายละ ว, ว่าจะจำเราได้ไหมนี่สาธุอย่าให้จําได้เลยมิฉะนั้น จะต้องเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่ก็ภูเขาไฟระเบิดขึ้นที่วัดป่ามะม่วงเป็นแน่แท้